เช่นในบ้านเรือนของตนแต่แม้เช่นนั้นก็พยายามที่จะทำจิตให้สงบไม่ส่งจิตออกไปรับเสียงเป็นต้นในภายนอก แต่รวมจิตเข้ามาในภายในไม่สนใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สงบทั้งหลายซึ่งมีเป็นประจำอยู่ในบ้านเรือนเป็นปกติหัดเข้าบ่อยๆดังนี้ก็จะพอทำได้ขึ้นบ้างแม้ไม่ดีนักก็ยังดี กว่าที่จะทอดทิ้งเสียไม่ทำซะเลยและที่ตรัสสอนให้นั่งขัดบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นรวมจิตเข้ามากำหนด ให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้แม้ว่าจะนั่งขัดบันลังหรือขัดสมาดไม่สะดวกจะนั่งเก้าอี้ก็ใช้ได้และการตั้งกายตรง ไม่พิงนั้นถ้าทำได้ก็เป็นการดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็พิงได้แต่ว่าการตั้งสติไว้จำเพาะหน้าคือไม่ทรงสติไปข้างไหนเป็นสิ่งที่ต้องทำรวมใจเข้ามานั่นเอง เมื่อรวมใจเข้ามาดังนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะปรากฏแก่ความรู้เพราะว่าจิตนี้เป็นธาตุรู้จิตอยู่ที่ไหนก็รู้ที่นั่น ก็อยู่กับอารมณ์ภายนอกก็รู้อารมณ์ภายนอกนั้นเมื่อจิตปล่อยอารมณ์ภายนอกเข้ามาตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ยมรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้นี้เป็นความรู้ขั้นแรก แล้วก็หัดทำความรู้เพิ่มเติมว่าหายใจเข้าออกยาวหายใจเข้าออกสั้นอันที่จริงยาวหรือสั้นนั้นอยู่ที่ ระยะทางของลมหายใจและระยะทางของลมหายใจนั้นสำหรับในทางปฏิบัติกรรมฐานย่อมกำหนดได้ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน เมื่อลมเข้าก็กระทบที่นี่เมื่อขาเข้าลมออกก็กระทบที่นี่เมื่อขาออกคราวนี้เมือ่อหายใจเข้าลมหายใจเข้านะั้นเดินทางไปถึงไหน ตามหลักสรีรวิทยาปัจจุบันนั้นย่อมไม่อาจกำหนดได้แต่ว่าอาจกำหนดได้ในอาการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ปรากฏอยู่ในขณะที่ทุกคนหายใจ ดังให้ใจเข้านาพีก็พองให้ใจออกก็ยุบเพราะฉะนั้นจึงมาถึงท่านพระอาจารย์ที่สอนวิธีกำหนดที่ท่านสอนว่าในขาเข้านั้น ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนนับว่าเป็นต้นทางและนาพีที่พองก็เป็นปลายทางของลมหายใจส่วนในขาออกนั้นนาพีที่ยุบก็เป็นต้นทาง ปลายจมูกหรือริมพิปากเบื้องบนก็เป็นปลายทางเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ท่านจึงสอนให้กำหนดปลายจมูกหรือริมพิปากเบื้องบนจุดหนึ่งกับนาพีอีกจุดหนึ่งเป็นสองจุดเป็นต้นทางเป็นปลายทาง ของลมให้ใจและก็สอนให้กำหนดที่อุระกิกจุดหนึ่งสมมติว่าให้เป็นกลางทางหรือเป็นกึ่งกลางทั้งขาเข้าทั้งขาออกเพื่อให้ตั้งสติกำหนด นี้เป็นข้อที่ท่านอาจารย์สอนไว้แต่ที่เป็นพระพุทธภาษิตเองไม่ได้ตรัสอธิบายออกไปดังนี้ตรัสไว้แต่เพียงว่ามีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกให้ใจ เข้ายาวก็ให้รู้ว่ายาวให้ใจเข้าสั้นก็ให้ใจออกยาวก็ให้รู้ว่ายาวให้ใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าสัน้นให้ใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าสัน้นตรสสอนไม่เพียงเท่านี้แต่ว่าจะกาหนดลมหายใจที่ไหนและยาวหรือสั้นนั้นมีระยะทางอย่างไร ไม่ได้ตรัสสอนไว้แต่พระอาจารย์ท่านมาอธิบายสอนให้กำหนดดังนี้แต่ก็พึงเข้าใจว่าเป็นแหล่งกำหนดตั้งสติเท่านั้นส่วนความจริงที่ลมให้ใจเข้าไปไหน ออกจากไหนไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดกำหนดในการปฏิบัติธรรมสมาธิเพราะว่าเมืองมุ่งผลเพื่อให้จิตเป็นสมาธิคือเพื่อให้เป็นที่ตั้งของจิตก็เอาเป็นจุดสมมติเอาบ้างแต่ว่าจุดจริงนั้นก็คือ ปลายจมูกหรือริมผิปากเบื้องบนที่เบอลมเข้าก็ไปกระทบที่นั่นจริงลมออกก็ไปกระทบที่นั่นจริงและที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้แม้ว่าจะไม่ได้ทรงอธิบายผู้ปฏิบัติเมื่อกำหนดจิตเข้ามา กำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้รู้ตั้งแต่เบื้องต้นรวมๆ ว, ว่าให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้และเมื่อจิตรวมอยู่ดังนี้ให้ใจเข้าออกยาวก็รู้เองให้ใจเข้าออกสั้นก็รู้เองและในการที่จะรู้เองได้นี้ ทุกคนก็ย่อมทราบได้ว่าโดยปกตินั้นก็จะต้องว่าให้ใจเข้าให้ใจออกยาวก่อนในเมื่อการให้ใจนั้นการให้ใจสะดวกเราจึงเรียกกันว่าให้ใจทั่วท้อง ซึ่งมีอาการท้องที่พองหรือยุบไปตามธรรมดาก็เป็นให้ใจสะดวกหายใจเป็นปกติก็เป็นอนันว่ายาวก่อนแต่ว่าแม่การให้ใจปกติหรือให้ใจสะดวกดังนี้จะถือว่ายาว ก็ตามก็อาจจะมีบางคนที่มีการหายใจยาวไม่เท่ากันความที่ยาวไม่เท่ากันนั้นเมื่อมาเทียบกันเข้าก็จะต้องว่าสั้นไปกว่าบ้าง หรือยาวไปกว่าบ้างแต่ว่าไมจ่จำเป็นที่จะต้องไปคิดเทียบกับนเอาของตนเองนี่แหละเมื่อหายใจอยู่เป็นปกติเหมือนอย่างที่ไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นอันถือว่ายาวเป็นปกติหรือใครจะสั้นกว่านั้นก็สั้นกว่าเป็นปกติก็เป็นอันว่ายาว เดเรียกว่ายาวไม่เท่ากันก็แล้วกันดังนี้ก็เมื่อตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็ให้รู้หนึ่งเข้าหรือออกสองเข้า หรือออกยาวเป็นปกติคือให้รู้การให้ใจที่เป็นปกติของตนเองนี่เองเราวนี้เมื่อตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอยู่ดังนี้ จิตก็จะสงบเข้ากายก็จะสงบเข้าเมื่อจิตและกายสงบลงการให้ใจเข้าให้ใจออกก็จะสงบเข้าเมื่อสงบเข้าดังนี้ ก็ดูเหมือนจะสั้นเขา้าที่ว่าดูเหมือนนั่นก็คืออาการที่หายใจเมื่อตนเองสังเกตที่ตนเองก็จะรู้สึกว่าความเคลื่อนไหวของร่างกายของอวัยวะที่ กระทำการหายใจที่ปรากฏแก่ความกำหนดเช่นนาพีที่พองหรือยุบนั้นก็จะน้อยลงเมื่อกายและจิตสงบยิ่งขึ้นอาการของร่างกายที่หายใจ ก็จะยิ่งน้อยเข้าผู้ปฏิบัติย่อมจะรู้ได้เองในเมื่อจับปฏิบัติไปจนถึงอาการที่หายใจของนาพีที่พองหรือยุบนั้นสงบเหมือนอย่างไม่พองไม่ยุบ ลมหายใจคล้ายกับหายใจอยู่ในระหว่างจมูกกับอุระเท่านั้นหายใจเข้าก็ลงไปคล้ายๆแค่ถึงอุระออกก็ออกจากอุระและเมื่อละเอียดยิ่งขึ้นก็ยิ่งสงบยิ่งขึ้นเหมือนกับหายใจอยู่แค่ ปลายจมูกเท่านั้นและเมื่อสงบยิ่งขึ้นอาการที่รู้สึกเหมือนอย่างหายใจอยู่แค่ปลายจมูกก็จะสงบหายไปอีกเหมือนกับใครไม่หายใจแต่อันที่จริงนั้นหายใจแต่ว่าเป็นการหายใจอย่างละเอียดเมื่อร่างกายและจิตสังเกตที่สุด คืสงบมากที่สุดการให้ใจก็จะสงบมากที่สุดเหมือนอย่างไม่ให้ใจแต่อันที่จริงนั้นลมให้ใจนั่นก็ยังเข้าออกอยู่กายวิาที่ทําการให้ใจนั้นสงบละเอียดจังเหมือนอย่างไม่ให้ใจเพราะว่า ที่เข้าใจว่าหายใจนั้นเราไม่เห็นลมที่เข้าออกรู้ได้จากกายกระทบเท่านั้นคือสิ่งที่มากระทบปลายจมูกหรือลมลมหรือริมพิปากเบื้องบนเมือ่อหายใจเข้าเมือ่อหายใจออกและอวัยวะของร่างกายที่ทำการหายใจที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็กำหนดรู้ได้ดังนี้แต่ลมนั้นมองไม่เห็นและเมื่อร่างกายสงบสงบที่สุดจิตสงบที่สุดอวัยวะต่างๆที่เคลื่อนไหวก็จะสงบเมื่อเป็นดังนี้ลมหายใจที่เข้าออกอยู่ก็ไม่ปรากฏจึง เ, เข้าใจว่าไม่หายใจความจริงนั้นหายใจการหายใจนั้นไม่ได้อยู่ที่ อวัยวะที่ทำการหายใจแต่อยู่ที่ลมซึ่งเข้าออกได้ไปเลี้ยงร่างกายได้เพราะฉะนั้นจึงรู้สึกเหมือนอย่างว่ามาหายใจในเมื่อจิตสงบผู้ทำานาปานสติย่อมจะรู้สึกดังนี้แต่ว่าการที่จะปฏิบัติถึงขั้นนี้ได้นั้น ก็จะต้องอาศัยความตั้งใจปฏิบัติติดต่อกันไปให้ทุกวันทุกวันและเมื่อได้ความสงบมากความสามารถในการที่ปฏิบัติสมาธิก็จะทำได้นานยิ่งขึ้นเพียนนั้นโดยที่จะไม่รู้สึกขบเบื้อที่ร่างกาย ไม่รู้สึกเป็นเหน็บอะไรทั้งหมดจะมีความสบายทั้งกายมีความสบายทั้งใจอันเป็นตัวความสุขในการปฏิบัติดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้หนึ่งอาตาปีมีความเพียร คือมีความเพียรปฏิบัติไม่ทอดทิ้งความเพียร 2. ส, สัมปญาโนมีสัมปัญญะคือความรู้ตัว 3. ส, สติมามีสติ คือความระลึกได้และสีวิญญโลเกอภิชาโดมนันตังกำจัดความยินดีความยินร้ายต่างๆในโลกที่เข้ามาทั้งสี่ประการนี้เป็นหลักที่ภูปฏิบัติจะต้องมีขาดความเพียรเสีย ไม่บังเกิดการกระทาการปฏิบัติขึ้นมาขาดความรู้ตัวเสียขาดสติเสียก็ปฏิบัติให้เป็นสติให้เป็นสมาธิขึ้นไม่ได้และถ้ายังมีความยินดีความยินร้ายอยู่ก็ทำให้ ทำสติทำสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี้มิได้ความยินดีความยินร้ายนั่น <c oughs> ก็เป็นต้นว่าความยินดีในอารมณ์ภายนอกที่เข้ามาและดึงใจออกไป เมื่อให้ตั้งกำหนดอยู่ความยินร้ายในอารมณ์ภายนอกที่เข้ามาและดึงใจให้ออกไปยินร้ายอยู่อันนับว่าเป็นพวกนิวรณ์ทั้งที่เป็นฝ่ายยินดีทั้งที่เป็นฝ่ายยินร้ายและทั้งที่เป็นฝ่าย หลงต่างๆหรือว่าแมในการปฏิบัติเองเช่นเมื่อเริ่มปฏิบัติทีแรกย่อมไม่ได้ความสุขในการปฏิบัติจิตก็รวมไม่ได้ร่างกายก็เริ่มจะเมื่อยขบปวดนั่นปวดนี่ ก็เป็นความยินร้ายเมื่อยินร้ายขึ้นดังนี้แล้วก็ทำให้ต้องเลิกการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความยินร้ายขึ้นในการปฏิบัติเพราะเหตุต่างก็ต้องพยายามระ ง, งับเสียในเมื่อตั้งใจว่าปฏิบัตินานเท่านั้นเท่านี้ก็ตั้งใจก็ทำไปทนเอาไป โดยมีขันติความอดทนเขาช่วยเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้การปฏิบัติคืบหน้าคือจิตจะเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบกายก็สงบตามความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติก็ลดลงไป กลับเป็นความสุขบางทีเมื่อได้ความสุขในการปฏิบัติก็เลยติดสุขทำกันเรื่อยจนไม่ไม่ยอมที่จะหยุดจะพักจะเลิกในเวลาที่ควรหยุดควรพักควรเลิกดังนี้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันต้องระ ง, งับความยินดีที่จะเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติเกินไป ดังนี้เสียเพราะว่าบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นย่อมมีขอบเขตของการปฏิบัติถ้าเป็นบรรพชิตก็ย่อมสามารถปฏิบัติได้มากแต่ถ้าเป็นครวะคฤหัตจะต้องมีขอบเขตของการปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมอีกด้วยเรามีกิจการที่ต้องประกอบกระทำ หรือแม้บรรดาชิตเองที่มีกิจการที่ต้องประกอบกระทำต้องเราเรียนศึกษาก็จะต้องไม่ให้เสียกิจการที่พึงประกอบกระทํำนั้นๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ประมาณใกล้ในการปฏิบัติก็เลิกซะเลยยินดีในการปฏิบัติก็ทํากันเรื่อยเกินขอบเขตไปดังนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องละความยินดีความยินได้ มาปฏิบัติให้พอเหมาะพอดีหลักปฏิบัติสประการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผูปฏิบัติจะต้องมีและเมื่อมีแล้วก็จะเจริญในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปและไม่มีไม่มีโทษมีแต่คุณโดยส่วนเดียวต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบทนี้จก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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตนี้ย่อมลินรนกวัดแกวงกระสับกระส่ายรักห้ามยาก แต่บุคคลผู้ทรงปัญญาย่อมทำจิตให้ตรงได้เหมือนอย่างข่างสอนดัดลุกสอน เพราะฉะนั้นทุกคนจึงสมควรเป็นผู้ทรงปัญญาและมีสติคอยดัดจิตของตนให้ตรง เพราะว่าจิตที่ดิ้นรนกับกัดแกว่งกระสับกระสายนี้ก็คือดิ้นรนไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่เข้ามาทางตาทางหูเป็นต้น ตลอดจนถึงคิดนึกทางใจอยู่ตลอดเวลาบรรดาเรื่องทั้งปวงเหล่านี้บางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีคือเป็นชนวนให้เกิดความยินดี บางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายคือเป็นชนนให้เกิดความยินร้ายเพราะฉะนั้นหากไม่ทรงปัญญาไม่มีสติ จิตนี้ก็จะเล่นรนกวัดแกงกระสับกระใสไปในทางที่ผิดต่างๆเป็นอันมากอันจะพึงกล่าวได้ว่าเป็นจิตที่คด มีใช่จิตที่ตรงอันคำว่าจิตคดด้วยจิตตรงนี้ก็โดยที่มีธรรมะคือคุณที่เกื้อกูล สิ่งที่ถูกต้องก็โดยเป็นคุณที่เกื้อกูลนั่น